ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงนนะะเรื่องอ่เรืงการปฏิบัติหน้าสุกโตนี่นะสุกโตต้องเรื่องการปฏิบัติตการปฏิบัติภาวนาสิ่งที่สําคัญของนักปฏิบัติก็คือเรื่องของความขยนันความอดทนนักปฏิบัติต้องขยันแล้วก็อดทนที่จะฝึกภาวนาให้ต่อเนื่อง ต้องฝืนใจตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการภาวนาในรูปแบบเนี่ยจะมีอิเลยาบทซ้ำๆการเป็นปฏิ ท, ทิซ้ำๆทำให้นักปฏิบัติรู้สึกเบื่อแล้วก็เซ็งกับต้องทำอะไรซ้ำๆซึ่งทำธรรมบาญญของคนเราเนี่ยไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆชอบเปลี่ยน ถ้าเป็นแปลงเพราะนั้นจะต้องนักปฏิบัติจะต้องฝืนใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองให้ได้ที่จะทําให้ต่อเนื่องกันมานานแม้ว่ามันจะเบื่อก็ต้องทําขี้เกยียจก็ต้องทําต้องฝืนทนทําไปก่อนจ น, นกว่าการปฏิบัตินั้นจะมีการพัฒนาก้าวหน้าและต่อไปมันก็จะปฏิบัติได้เองโดยที่ ไม่ต้องอดทนมันก็ปฏิบัติได้ก็เป็นการปฏิบัติได้ทั้งวันถ้าเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะไม่เห็นธรรมะโอกาสที่จะ บ, บรรลุธรรมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นลำพังแค่ความเบือ่อความเสงเรายัางเอาชนะไม่ได้แล้วเราจะเอาชนะกิเลสตั้งพันห้าตัณหาตั้งร้อยแปดได้อย่างไรเนี่ยก็ให้ นักปฏิบัติก็พิจารณาดูในข้อนี้นะก็ต้องให้กำลังใจที่จะฝืนทำต่อไปเรื่อยๆ